ด้วยพระนามของ a l l ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอวความหายนะจงประสบแด่ผู้นินทาและผู้ใส่ร้ายผู้อื่นทุกคน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 และอะไรเล่าที่ทำให้เจ้ารู้ได้ว่าอัลฮุตมานั้นคืออะไรคือไฟของอัลลอ์ที่ถูกจุดให้ลุกโชนซึ่งมันจะลุกไหม้เข้าไปในหัวใจแท้จริงมันจะลุกไหม้คุมพวกเขาอย่างมิดชิด อยู่ในสภาพของเสาสูงชลุด